ทำให้สติตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นการรู้แจ้งเป็นการรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงนี้หมายถึงรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภ ท่านที่หรวงเทียนท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราทำให้สติตื่นตัวรู้อยู่ทุกขณะมันก็มีผลทำให้เราเนี่รู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงเนี่ยหมายถึงตัวปฏิบัตินะเป็นตัวการปฏิบัติเป็นภาวนามายปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือเกิดจากการเจริญสติก่อนถึงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงหมวงพเทียนท่านก็ได้พูดไว้ก่อนว่าเรามีความรู้อยู่4ระดับคือรู้จำแล้วก็รู้จักแล้วจึงมารู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้จำรู้จักนี่ก็หมายถึง รู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการที่เราได้อา่านแล้วเราก็คิดนึกจดจำเอาไว้อันนี้เลยรู้จำจะเป็นความรู้ในขั้นต้นๆซึ่งใครๆทั่วไปก็รู้ได้แต่ว่ายังดับทุกข์ไม่ได้รู้จำรู้จักนี่ยึงไม่ใช่ตัวปฏิบัติยังดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาจิตใจไม่ได้แต่ถ้าว่าเรา เข้าสู่ตัวภาวนาคือการเจริญสติมันก็มีผลทำให้เกิดความรู้อีกสองระดับคือรู้แจ้งรู้จริงเป็นการประจักษ์แจ้งสัจธรรมต่อหน้าต่อตาอันนี้เป็นการรู้แล้วแก้ปัญหาได้รู้แล้วคนถูกไปเลยมันจะเรียกว่าความรู้มันก็ไม่ใช่ มันเหนือรู้งงหมท่านผู้ฟังถ้างงก็รู้ว่างงนะถ้ารู้ว่างงแต่ว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ในทุกขณะปัจจุบันแล้วอย่าเพิ่งคิดมากชีวิตของเรานี่ก็อย่างนี้แหละเราก็ต้องอาศัยความรู้สีระดับนี่แหละรู้จำก็เป็นประโยชน์รู้จักก็ดีถ้ารู้แจ้งรู้จริงก็ยิ่งดีใหญ่เลยรู้เพื่ออะไรก็รู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ คนทุกคนเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามความสุขเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่หา ย, ยากแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะหาง่ายๆความสุขเนี่บางทีคิดแล้วมันไม่เป็นสุขนะแต่ความทุกข์เนี่ยพอคิดปั๊บเนี่ยอ๋อขึ้นมาทันทีเลยสุขมันเลยหาง่าย ทุกข์เลยหายากอัเ น, นี้ยเป็นคําตรงข้ามแต่เดี๋ยวเนี้ยคนเราทั่วไปเนี่ยเวลาเกิดที่อยากจะได้ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากจะทํำยังไงดีจะให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์ก็ดูเถอะในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตมันก็จะคิดละคว้ า, าความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเรา มีความมิตกกังวลในเรื่องต่างๆนานาความทุกข์เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกระทั่งเราเริ่มต้นตื่นนอนในตอนเช้าแม้แต่เวลาเราจะกินกินข้าวกินอาหารไปแต่ละมือเนี่ยงที่อาหารแต่ละมือของเราที่สแสวงหามาเนี่ยหรือไปซื้อหามาหรือไป น, นั่งตามร้านต่างๆที่มีราคาแพงๆอาหารที่มีราคาแพงๆ เพื่อจะหาความสุขแต่บางทีเรากินอาหารแบบจิตใจไม่เป็นสุขก็ได้นะเรากินแบบจิตใจที่เป็นทุกข์วิตกกังวลกินไปคิดไปมันไม่ได้กินอาหารมันเก่ากลายเป็นกินความคิดกินการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์กินไม่เป็นสุขเขาจะบอกไว้ว่าก่อนจะกินอาหารตอนที่ท้องว่างๆเนี่ย อย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลในยามท้องว่างเนี่ยถ้าไปคิดวิตกกังวลไปเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีผลที่ว่ากระเพาะอาหารเขาจะหลั่งน้ำย่อยออกมาโดยที่ไม่มีอาหารให้ย่อยเนี่ยและน้ำย่อยนั้นจะย่อยอะไรก็ย่อยกระเพาะอาหารของเรามันก็เป็นแผลแล้วก็มันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนกินอย่าให้เครียด ก่อนอาหารในยามท้องว่างอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลแล้วเมื่อเวลากินอาหารไปแล้วอิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเครียดอีกนะถ้าเครียดหลังอาหารมันก็มีผลเหมือนกันการย่อยอาหารจะไม่ปกติทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อท้องขึ้นมีลมมีเลอก็อึดอัดนะก็เป็นทุกข์อีกนะ เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนี่ทั้งก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารไม่ควรจะเครียดนะทำทใช้เป็นปกติเข้าไว้เวลาทํางานเนี่ยบางที่เราก็ไม่มีความสุขกับการทํางานความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยากในระหว่างการทํางานถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องทํางานไปก็เกิดความวิตกกังวลงานเนี่ยมันจะเสร็จทันเวลาหรือไม่กังวลละเราตั้งกฎเกณฑ์ของเวลาเอาไว้ แต่เราทํางานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มันจะเสร็จตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใจเราก็เป็นทุกข์กับการทํางานเกิดความวิตกกังวลเครียดแล้วหรือบางทีกังวล น, นะอ๋อทํางานไปแล้วนี่ผลของงานเนี่ยจะดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือคนเรากังวลกันมากในตรงเนี้ย ต, ต้องการผลของงานถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วก็โอ้เรานี่แย่เลยเป็นทุกข์อีกละ ไม่เป็นสุขกับการทำงานมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดกับการทำงานแม้กระทั่งในยามนอนในยามนอนนี่ตอนเข้านอนน่าจะเป็นสุขนะเพราะเราจะได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจแต่เรายังหาความสุขได้ยากจากการนอนแม้ว่าที่นอนหรือเตียงนอนเนี่ยราคาแพงๆนะเราหาซื้อมาด้วยราคาแพงๆนะเปิดแอร์เย็นสบายต้องการนอนอยงมีความสุข วเวลานอนนี่เราก็เกิดความคิดวิตกกังวลละคิดวิตกกังวลปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆนมันก็นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์ในยามนอนนี่ใช่เราจะหาความสุขได้ยากมากในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องมีหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่หาความสุขได้ยากจากการใช้ชีวิต ความทุกข์เกิดจากอะไรทำไมจึงมีทุกข์มากมายจนหาความสุขในยาทุกข์ที่เกิดจากจิตใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องการปรุงแต่งหรอกการปรุงการแต่งการนึกการคิดในทางจิตใจแล้วขาดสติสติที่หมายถึงสติที่รู้สึกตัวหรือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณ น, นั้น ก็แค่รู้ใช่ใอ๋อรู้ว่าเราหิวรู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราสุขรู้ว่าเราทุกข์รู้แบบเป็นสัจจยานแบบมีตัวมีตนถ้าสติแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่รู้แค่นั้นคําว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้เรื่องของกายกับรู้เรื่องของจิตจะเรียกว่าตัวเรียกว่าทั่วพร้อม พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งจิตอันนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะตัวเรามีกายมีจิตต้องมีสติประเภทนี้นะสติข้อนี้เราจรึงจะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละวันเอาชนะความคิดปรุงแตกงได้เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่เราจะลุกออกจากเตียงนะถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรานอนอยู่ในท่าไหนนะ เรานอนท่าไหนเราก็รู้สึกตัวอยู่จิตใจมันคิดมันนึกอะไรก็รู้เท่าทันเช่นเรามีสติรู้กายว่ากําลังนอนเนี่ยความคิดมันก็จะมีมการปรุงแต่งจิตยังไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาล่ะเพราะเรารู้กายที่มันนอนอยู่ยแต่ถ้ า, าว่าเรารู้กายไม่ทันไปเห็นจิตที่มันคิดวิตกกังวลก็เรามีสติรู้ จิตมันก็พ้นออกมาจากความคิดนั้นได้ได้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ตื่นนอนอย่างมีความสุขความสุขเลยหาได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาก่อนความกังวลเพราะเรามารู้กายหรือจะมีสติอยู่เนื้อความกังวลเมื่อเรารู้ทันจิตที่มันคิดขึ้นมาในยามกินถ้ากินอย่างมีสติกินอย่าง รู้ตัวทั่วพร้อมกินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยก็จะอยู่กับปัจจุบันกับการกินนะอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกินจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งมากมายนะแม้ว่าจิตมันจะปรุงมาบ้างสติก็รู้ทัน <c oughs> การปรุงแต่งนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรก็มีความสุขกับการกินได้เหมือนกันความสุขเลยหาได้ง่ายจากการกิน แม่ว่าการทำงานการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราทำด้วยสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานก็สนุกนะมีความสุขกับการทำงานความไม่ตกกังวลว่าจะไม่เสร็จทันเวลาหรือกังวลว่าผลงานจะออกมาไม่ดีซึ่ง น, นั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมลูกกายกำลังเคลื่อนไหว รู้จิตรู้ใจที่มันคิดมันนึกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันจะเป็นปัจจุบันนะจะเป็นปัจจุบันอยู่กับแดนงานของเรางานนั่นก็จะเป็นงานที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขสุขเกิดจากการทำงานความสุขเลยหายได้ง่ายหนึ่งอย่างที่เราทำงานแม้กระทั่งเรานอนขณะที่นอนเนี่ย ถ้านอนอย่างมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจิตก็จะเป็นปกติรู้ตัวว่ากำลังเอนกายลงนอนอย่างรู้สึกตัวสติเข้ามาก่อนแล้วแม้ว่าจะมีความคิดบ้างมันต้องมีแน่ละตอนนอนเนี่ยเพราะมันเป็นเวลาที่สรุปแต่ะละวันถ้ามันคิดออเราก็รู้ว่ามันคิดมีความรู้สึกตัวรู้เท่าตันในความคิดจิตมันก็เป็นปกตินะ แล้วก็หลับไปกับความรู้สึกตัวหลับอย่างมีความสุขแม้แต่ในขณรที่เราจะหลับลงไปชีวิตเราเนี่ยถ้ากินอีกนอนหลับก็มีความสุขแนละ้วสติเนี่ยจะทำหน้าที่รู้เท่าทันรู้กายรู้ใจไม่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรอู้ทุกขณะมันจะอยู่เหนือความทุกข์ ในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตก็จะสงบตั้งมัน่นรู้อยู่ดูอยู่นิ่งอยู่เป็นปกติเป็นกลา ง, ก, ลางก็จะไม่เกิดปัญญารู้ชัดรู้แจ้งจิตก็จะผ่อนคลายเพราะว่ามีการปล่อยวางพอ ร, รู้ชัดรู้แจ้งล้วก็จะปล่อยวางจิตจะผ่อนคลายไม่เครียดจิตจะผ่องใสเบิกบานความสุขจะเป็นสิ่งที่หาได้ง่าย ความทุกข์จึงสิ่งที่หาได้ยากความสุขเกิดจากสิ่งที่เราขาดไปแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะเติมเต็มความสุขส่วนความไม่ตกกังวลความเศร้าหมองความเครียดความทุกข์ต่างๆก็คือส่วนเกินของชีวิต